วงเล็บสองบาทดินที่ชื่อว่าจีวอได้แก่จีวอนชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะวิกลับได้เป็นอย่างต่ําที่ชื่อว่าผ้าปูนั่งพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงผ้าปูนั่งมีชายที่ชื่อว่ากล่องเข็มได้แก่กล่องที่มีเข็มหรือไม่มีเข็มก็ตามที่ชื่อว่าประคตเอวได้แก่ประคตเอวสองชนิดคือวงเล็บหนึ่งประคตเอวผ้าวงเล็บสองประคตเอวไส้สุกร คำว่าเอาไปซ่อนคือภิกษุเอาไปซ่อนเองต้องอบัติปาจิตตีคำว่าใช้ให้เอาไปซ่อนคือภิกษุใช้ผู้อื่นให้เอาไปซ่อนต้องอบัติปาจิตตีภิกษุผู้รับคำสั่งครั้งเดียวแต่ซ่อนหลายครั้งภิกษุผู้สั่งต้องอบัติปาจิตตีคำว่าโดยที่สุดแม้มุ่งจะเล่นคือภิกษุประสงค์จะเล่น